เรื่องได้ยินเสียงช้างลงน้ำหนึ่งเรื่อง232สมัยนั้นพระหมหาโมคคนะัลณะเรียกภิกษุทั้งหลายมาบอกว่าท่านทั้งหลายกระผมเข้าอาเนนชฌาสมาธิที่ฝั่งแม่น้ําสั ป, ปินิกาในตําบล น, นี้ได้ยินเสียงโขลงช้างลงน้ําแล้วขึ้นจากน้ําส่งเสียงดังเหมือนนกกระเรียนภิกษุทั้งหลายพากันตนําหนิพระนามโพนทนาว่า ฉไ น, นพระมหาโมฆคารณะกล่าวอย่างนั้นเล่าท่านกล่าวอวดอุตริมนุสธรรมแล้วนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสมาที่นั้นมีอยู่จริงแต่ยังไม่บริสุทธิ์โมฆคารณะกล่าวจริงจึงไม่ต้องอาบัติวงเล็บเรื่องที่ห้